ควรจะเวลาแล้ว มีแขกว่าล่ ะ, ะล <c oughs> ม, มี่ก็ปวกเกาเอม่มีะกปลวกเกาที่รง <c oughs> <อ>นี้เองโอ้กันวอมานันเนะเาะก็จะขอดึงถ้ำ <c oughs> เราธรรมากรงเ ร, รสนใจรรม อยากได้ทำก็จะเบาไปแจกเตะแล้วอยากได้ตะร่วลลยสวยงามใช่ไหมแล้วก็ตั้งกะว่าแม่ตายรุ้นแม่แพ้แม่ตายแน่แม่ไปดีแน่แบบว่าต่ยายเขาว่าเอาเลยวนลูกผูว่าจ่าสังกัดจอยู่ไปดีตัวต ว, ต ว, ว่าแพ้ทุ เขาบอกเหเอาทำเอางมีชีวิตัวให้ตได้แพร่ให้แพ่ให้กันได้พวกเจ้าเพิ่งก็แพ่ให้ไปหมดตัวของทำเองรู้เองเห็ุเองยังี่ะเขบอมาทำเพเห็นบหูหลายปีเขาอะไรจะคนูอ่าห์ได้คนหนึ่งแถว่นเป็นตังดบุวงกระไดนี่ไปทั้งตรงผลบวชเราไปหาเบงโอ้ตัวนตัวแหงว่าเตตไทยพระพาไปเบื้องโอมักแจ้งแห่งก็มักอภิษฎไปดูเน <laughs> อย่าไป ว, วันบวกนีคนนั่นคิดไอ้ที่เป็นนั่นนึงได้บัตรอย่กเขาตอนนี่โลดจะเขาตะนสร้านตอย่านที่บอว่าเออวอกไปซุขจิตสุขหมายตัวท่านได้เป็นตัวเขาล <laughs> โลกกับธรรมอาศัยซึ่งกันและกันเราอาศัยคนอยู่ไ่ใช่เราจะไปอยู่คนเดียว mm hmm. วันนั้น่าเกิดมาจาก คนใหม่เดียวคนพูดเดียวทั้งพูดเดียวจังใดกันไม่พูดที่เจ้าได้สอนเห็ดนั่นปรากฏที่เจ้าบา <c oughs> คนเป็นอยู่ทุกถิ่นทุกอย่างต้องอาศัยชาวบ้านนะก็จะไปอยู่คนเดียวที่ไหนที่เขาไปสิทธิมั่นเขาไปก็ะโจมกับปัญหาขดมัน่นปลูกมัน่นกินถ่นริบัดความเห็นตัวนี้มันไปเนาะไม่ได้เอ้เยจีดยุ่งกับคนไว้น่ะ หนีจากที่คนไม่มีบ้ามีคนแต่ของก็เป็นคนก็ต้องการทําใจก็ต้องมีอะไรเป็นเครื่องทดสอบติดหรือไม่ติดคล้องจะไม่คล้องน่ะนั่นแหะเรื่องสำลักตะกอคิดใจอยู่ที่นั่นจะแปลว่าคนน้อยคนมากอย่างนู้นอย่างนี้เรื่องของคนมันก็ธรรมดาอยู่แล้วก็มีอย่างนี้แล้วโลกนี่มันไม่ทิ้งไม่ได้มันหมดไม่ได้หรอก แต่ที่จะทิ้งมันมีจุดจุดหนึงต้องอาศัยไปซะก่อนเพราะฉนั้นพร ะ, จะเจ้าจึงห้ามไว้ไม่ให้ไปบังคับให้ไปไม่บังคับให้ยุนั่นเะขาจะว่าบังคับให้ไปก็บังคับให้ตายไปหาโดดน้ำตายไปหาสมเจ้าของตายคือพวกอย่างพวก <c oughs> แต่ก็ข้ายยอยู่างทเบียนทะเบียนจุดเจ้าของตายเราว่ามันเจ้าของเราก็ต้วงหาตัวเขากองไฟ ว่าเจ้าของเราไปหาตัวน้าตายมุ่นนะผมว่าน้าตาหเจ้าขาเจ้าของตายก็เป็นบาปอีกน ะ, นะบังคับไปว่าแม่เจ้าของไปถึบังคับไปน้อก็ไปทัหลายอาศัยเา ม, มีต้นไหมตัว น, นี้ทั้งรักแต่กินหมากเขาถไปตัดถิ่มนพื่ได้กินบ่อบัดอาแต่ขาเห็ดเรื่องธาดเรื่องต่งางๆเราบอกบ่เห็ดมงดูก่อ มากับหายวั ก, ก็ไ่ได้รเจ้หตายวาหตายเอาิน้าไว้จิน้าไว้จินนั่นไว้ิ น, นี่ไว้มันก็เป็นพระละักษณ์ของตนเป็นพระกของหมอของนั่นของนี่เป็นอย่างไรอันใดนอยูนะ่นักษาไว้แต่ยาของพเจ้าอย่างไรนก็มือเกินอยู่ก็พูดแล้วยาของพเจ้าพเจ้านี้สีอากานี้กิจสีกึ่งอาศัยของบรรพชิตอยูุ่ติยา วินตาบาดเรื่องชีบนะหรือ <c oughs> พาบางสกุลเป็นบา้านอยู่โคนต้นไม้ฉันยาดองด้วยน้ำโมดนั่นนยาของกูเจ้าโมดนมขูดว่า่อแค่นก็นได้นะ <c oughs> ผมเก็บของเอง <c oughs> ได้เลี้ยงไว้อยู่นี้นั่นนี้รักษายาของกูเจ้าว่าเราเจอปหาเป็นนืนั้นเป็นเน้เสริมเนื้ น, นั้นเสริมนีน่เห็นว่าวิตามินเนื้นั้นานานี้ส้างโลกานานั้น รักษาไว้บังคับให้ไปบังคับต้องอาศัยออกซิเจนออกซิเจนถอดออกซิเจนก็ไปแบบนีปล่อยไปตามเวลาอันควรของสังขารนั่นคำของคุณเจ้ามันถูกต้องแล้วบังคับให้ไปบ่ได้บังคับให้ด้วกก็ไม่ ไ, ปปไ ด, รไรรได้รักษาเอาไว้เท่าเวลาอันควรของสังขารถึงเวลาเราเิียวย า, ววาย ม, ย ม, มันจะใส่ไม่ถึงคนในโลกเม่ดีเมื่อใจเงิน loạn งินโกธรใส่ไปรักษาตั้งประเสธตัวเองก็คือกาวน์แล ทัคนกัไปตายเคงบินไปตั้งหอดหมอส่งกลัมีนักษาไว้เท่าเวลาอันควรของสังขารก็ดีเราได้ข้าของขุนเจ้าเนาะว่ามีหน้าติเสียงเพิ่นได้หรอกอันน้ยบังคับจต่ของตายก็เป็นปบาปนี่บ <c oughs> ังคับไว้กับทรมานดีนี่พอจากไปตอนจะไปบังคับไว้ทั้งใดถึงเวลาแล้ว คำของพุญแจาไม่มีใครต่อเทียงต่อต่อเทียงได้ถูกต้องที่สุดคือคำของพระพุทธเจ้ารักษาเวลาไว้เท่ากันควรของข้นฐานเทียงที่สุดต้องเอาความแม่กุบว า, าจานไปได้วัดหลวงปู่ล้ามุ่งเนี่ยแลหละถามไปชูวยเอากูวิไซด์ไปหามหมอเอาขึ้นแล้วนี่เนีู่ห ล, ล้าตัดเข้าเดียวก็แล้วหลวงปู่หมอทำไมไม่ไ ด, ด, ดีดีผดดีก็เพาไป หลวงปู dude, ่ยังก็คือกันเล้วมันไปถามมาเดินหน้ไงปานเดนสายเกียวออกไปเลยยังหนีเทียบไม่ดือจะถามไปไอ้หลวงปู่ยุ้ยทังไดเอาไปเอาไปพุทธเอาไปพิบแบบนี้ที่จะู่าจะเอาขุงเทียบของร้าเขาหลวงานนั่นเขาหลวงปานนี้พุธดก็บอกให้เอาไปนั่งเอาไปเป็นหน้าทีของในหลวงหรือพวกเนื้อไปตอมได้บ หลองไปลาชการันะะั้งเขาไปด้วยแน่หลวงไม่ไปแล oh ้วไปหนักออกมันหนักครบว่างเราหันน่นกันว่างสั้างแล้วก็แคามห้องประดี๋แล้วจงหลายปีได้หลวงปู่กัไอ้แคปีแปดปีจบคุณบัดสีจันทร์ขอนแจนกับโอ้ยหลวงปู่กาดีกับแปดปีหลวงปู่สากัจกปีเป็นเบา มันติดารบอกลวงปู่เอาตั้งิี่เหตุเนี่อเอาตั้งทีามไปให้ไปไหนก็ไปหลอูว่ากี่ขันว่าหันตัวพที่เขาสมาธิจังเดียวคนเราหบจับกันว่าแขกคนมากหลวงปู่หลวงปู่นี่ออกกนนนบัดโยมนุ่นมาแล้วโยมนี่มาแล้วค ว, าวนน้าควดขึ้นมาจับขึ้นมาข้อบนโตขึ้นมาเป็นเมือนตาผอจะกลัวแบบคำข อ, ของพุทเจ้าไกลไป เ่อแต่เก็ดเพียงคือเ่อคิดตรงจุดนี้น ะ, ะสงสารวอกไปปฏิบัติทำในป่าได้รงเข้าซานเข้าจานเข้าสมาธิอยู่ไกลป่าไม่มีเจตนาที่จะทำให้พระตก อ, อกตกใจดิไม่มีเจตนาถึงจะเป็นบาปขนาดนั้นนี่นพระยังไม่เจตนาแต่หูจะว่าพ่อแมู่บอาจ า, ารย์เข้ามาติหัวไปเจ้าของบ่เคยเขอเลยาม่ไปแต่หปู่อลงพอว่าไปไปอย่งไปก่อ หลวงปู่เอ็มาแล้วหลวงปู่เอ็นมาแล้วหลวงปู่หลวลงปู่สวดสันตบัตสาเหตุจากเขาพ่ได้เป็นบาปบ่บัตไปหย่งพู้นด้ที่เขารบจงจงนั่งจงๆมัดแทบสีดินมอดมอบเขามัวเท่างย่งางาเห็นว่าพวกเฝ้าเยอ่มันใจหุนเหยียบกุบาจาร น, นึกสันนะวัน <c oughs> <c oughs> ทีิมาบวชมาให้ศึกษาภาคปฏิบัติ อย่าไปคล้องใจกับเรื่องของคนอื่นอย่าไปพูดคนอื่นอย่าไปฟังคนอื่นอย่าเอาคนอื่นไปไว้ใจตน้ตนเตนืตนต้นไม่ได้แต่รเราจะเตือ น, นคนอื่นสอนให้เกิดโมโหเราสอนตนทําเอาทั้งใดถอนตนเองเตือนตนเอ ง, เองดีกว่าเลยพูดเรื่องโลกไม่สิ้นสุดหรอกตาสาของบ้านเราเป็ยังไ ง, งเ้าบอกคนเก่ามาันเราพิดกันนั่นเรื่องของโลกไม่ต่องบอกเรื่องเกา่าๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เอามาก็ อันเรื่องยุงนั่นคนเราชอบยุ่งเข้าใจไหมเงิน น, ง น, น, งน่าบุญกุศลเราควรระยองเมื่อหลานทั้งใกล้ทั้งไกลได้เสียสละมา <c oughs> ทานก็ดีรักษาศิเ่เจริญเมตตาภาวนาตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นบุญกุศลโดยเฉพาะได้ฟังทำคําสั่งสอนของพระเจ้าได้ทำปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าในทางที่ถูกต้องพระเจ้าสอนให้ดูลมให้สอนให้ทําบุญทําบุญทําบุญ ทำบุญคือทำให้จิตนิ่งสงบสุขขื่นยิ่งกลัวความสงบไม่มีเอาคํานี้มาเตือนตนเองเป็นดั่ดีสิ่งที่ไม่ดีดํามดิสิ่งที่ดีสงบเอาคํานั้นมาสอนเราบุญกุศลขื่นนี้บุญกุศลที่เราได้ทําแล่านี้บุญกุศลของคุ ณ, คณรุคุณพรเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์งสสงนั่ถึงจิทิ์นั่งลาย ก็จงมารวงกันจงปกป้องปกปักานได้มลาดติพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกสุขปลอดภัยการงานทงใดการงานทงใดโดยจะพอนในคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแลวจะมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสิ่เห็นธรรมในพราตินี้เถเออ